ครูบาอาจารย์ใจใจดีนะครูบาอาจารย์ที่ท่านมีศีลมีธรรมจริงๆท่านไม่ดูร้ายกระหายเลือดไม่รังแกใคร่ อ, อนโยนบางองอนดีนะหลวงปูดด่ดูคนดีไม่ตีใครสนันติแล้วสู้กับกิเลสตัวเองไม่สู้กับคนอื่นนะอย่างคนด่าหลวงพ่อให้มันด่าไปคอยบอกพวกเราด้วยอย่าไปยุ่งกับมัน ตาเราจิตมันเป็นกุศลเรื่ออกุศลนะคนวันๆคิดแต่เรื่องอกุศลมันจะดีได้ยังไงไม่สนใจไปสนใจเราคิดแต่เรื่องกุศลไว้เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องสําคัญทั้งนั้นเลยชีวิตคนเรามีเวลาจํากัดมากเอาเวลาไปยุ่งกับอกุศลสมหมดก็แย่แล้วใช้เวลาที่จํากัดนี้แหละมาพัฒนาจิตใจตัวเองให้ดีให้ได้ ไหนๆก็เจอศาสนาพุทธทั้งทีนะโอกาสเจอยากมากนะใคระระลึกชาติได้ก็จะรู้เนี่หลวงพ่อไม่ได้บอกนะว่าหลวงพ่อะระลึกได้หลวงพ่อบอกใครซําวัน <c oughs> ใคระระลึกชาติได้ก็จะรู้เลยว่าชาติไหนไม่มีพระพุทธศ า, าสนานะวางเวงวางเวงไม่ชั่วนะชั่วไม่ชั่วถึงมีศาสนาพุทธมันก็ชั่วได้ถ้ามันจะชั่ว แต่คนที่เป็นชาวพุทธในสายเลือดอย่างพวกเราเนี่ยสนใจในเรื่องศีลสมาธิปัญญาพวกนี้ชาติที่ไม่เจอพระพุทธศาสนานะในใจลึกๆมันจะวางเวงนะรู้สึกชีวิตไม่มีเป้าหมายเวลาพวกเรายังไม่ได้เจอศาสนาพุทธรู้สึกไหมเราก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายของชีวิตเป็นยังไงไม่ต้องชาติไหนเราชาตินี้แหละตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นตอนที่เรายังไม่รู้เป้าหมายของชีวิต ไม่รู้เราทำอะไรอยู่เพื่ออะไรทำเพื่ออะไรก็ทำตามตามกันไปเขาเรียนหนังสือก็เรียนตามเข้าไปนะเรียนให้มากๆไว้ก่อนเรียนไปทำอะไรก็ยังไม่รู้เลยเขามีงานทำก็ทำตามเข้าไปเขามีครอบครัวก็มีตามเข้าไปมีไปเรื่อยไม่มีลูกก็ไปบ่นบานให้มีลูกนะสมัยโบราณนะเดี๋ยวนี้ต้องไปหาหมอให้มีลูกอะไรเงี้ยเราคนอื่นเขามีก็ต้องมีตามเข้าไป ชีวิตมันไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะมันตามๆคนอื่นตลอดเวลาเลยแต่พอเรารู้จักพระพุทธศาสนาแล้วเรารู้ว่าชีวิตเรามีเป้าหมายไม่ใช่ชีวิตที่เลื่อนเลื่อนลอยลอยแล้วเรามีงานใหญ่ที่จะต้องทำคือางานพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเอง<ม>ให้สูงขึ้นไปให้ได้ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันพ้นจากโลกนะอยู่กับโลกแะไรแต่โลกไม่สัมผัสมัน ร่างกายจิตใจเราก็ยังอยู่ในโลกนี้แหละแต่อยู่เหมือนดอกมัวอยู่ในน้ําไม่เปียกน้ําอยู่ในโคลนก็ไม่เปื้อนโคลนจิตจะอยู่อย่างนั้นเนี่ยจิตวิ ญ, ญญาณที่มันพัฒนาแล้วเป็ น, น, นเรารู้ว่างานนี้เป็นงานใหญ่นะงานนี้เป็นงานหลักส่วนงานอื่นๆนั้นเป็นงานสนับสนุนเป็นงานรองเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกได้เท่านั้นแต่เรามีชีวิตอยู่ในโลกเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาจิตวิ ญ, ญญาณตัวเองให้สูงขึ้นไป นี่งานหลักนะงานสนับสนุนงานรองเช่นไปเรียนหนังสือไปทำงานไปหาเงินนะไปอยู่ไปกินอะไรต่ออะไรนี่เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้แต่มีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นไปเรื่องอะไรต้องอยู่อย่างสัตวาา์เดรัจฉานอย่างอยู่มาหาผัวหาเมียหาสามีพันยาหมามันก็หาเป็นไม่เห็นจะอศัศจรรย์ตรงไหนเลยแย่งอานาจหมายแย่งไหมแย่งนะ แย่กัดกันวนเนี่ยเลยปูต้องใหญ่เพราะปูใหญ่แล้วปูได้ผลประโยชน์ได้คลองสาวๆทุกตัวมันไม่อจจจัศจรรย์เลยอยู่อย่างนั้นสัตว์เดรัจฉานก็ทําเป็นหาผลประโยชน์หาอาหารหาอำนาจแต่ที่จะพัฒนาจิตวิญญาณขึ้นมาได้จริงๆต้องเป็นมนุษย์นะมนุษย์ขึ้นไปนะีพวกเรามีโอกาสล้วหาทางพัฒนาจิตวิญญาณตัวเอง อะไรที่เร็วๆเอาออกไปนะอะไรที่ดีที่ยังไม่ทําก็ทําขึ้นมาสํารวจตัวเองด้วยความซื่อๆ ซ, ซื่อตรงแต่ละคนถ้าไม่เคยภาวนานยะจะรู้สึกว่าเราเป็นคนดีฉันดีแล้วฉันดีฉันวิเศษดีกว่าคนอื่นเยอะแยะเลยมาภาวนาถึงจะรู้เลยว่ากิเลสย้อมใจมอมแมมอยู่ตลอดวันตลอดคืนเลยดูออกไหมเยอะนะยุบยิบยุบยิบเต็มไปหมดเลยนะ จะหันซ้ายหันขวายังกิเลสเยอะแยะเลยเดี๋ยวลองสังเกต น, นะเวลาแมงวันมาตอมอ่ะมีโทสะไหมนี้เดี๋ยวก็มีนะโอ้โหนะ <c oughs> แต่พอคนคนอื่นเห็นก็ <c oughs> <c oughs> นถ้าใครเผลอก็ชั่วเลยงน <c oughs> เรื่องเล็กเรื่องน้อยนะกิเลสเนี่ยแทรกทียิบไปหมดเลย อยู่ที่สติปัญญาของเราเนี่ยจะรู้ให้ทันงั้นเราอยากรู้ทันกิเลสนะในใจเรายิ่งเราล้างกิเลสได้มากเท่าไหร่กุศลยิ่งเกิดมากเท่านั้นเพราะกิเลสกับกุศลเป็นสิ่งตรงข้ามกันกิเลสเป็นความมืดกุศลเป็นความสว่างกิเลสเป็นความร้อนกุศลเป็นความเย็นอย่างเงี้ยเราพัฒนาอย่างเราลดความมืดลงไปความสว่างมันก็เพิ่มขึ้น ลดความร้อนลงไปความเย็นมันก็เพิ่มขึ้นองนี้งั้นถ้าเราลดอกุศลได้นะกุศลมันก็จเจริญเองอลดราคาได้นะเกิดกุศลชื่ออะโรพะมีโลภะนะกุศลที่ตรงข้ามกับโลภะก็เรียกอะโรภะจิตที่ไม่โลภเป็นกุศลมีโทสะเป็นอกุศลกุศลก็คืออะโทสะไม่มีโทสะ มีโมหะนะโมหะความหลงเป็นอกุศลตัวกุศลก็คืออมโมหะอมโมหะเป็นชื่อหนึ่งของปัญญาปัญญาอะละคือตัวอมโมหะงั้นถ้าเมื่อไหร่ล้างโมหะได้ก็เกิดปัญญาเมื่อ น, นั้นแหละเมื่อไหร่มีปัญญาได้ก็ล้างโมหะได้เมื่อ น, นั้นแหละนี่เราจะล้างโมหะล้างด้วยปัญญาปัญญาก็เดินวิปัสสนาเรียนรู้ความจริงของรูปนาม ของกายของใจรู้ความจริงก็ล้างโมหะได้ถ้าโมหะถูกทำลายนะโลภะโทสะไม่มีทางเกิดเลยเพราะโลภะโทสะเกิดลอยๆอยไม่ได้ต้องเกิดร่วมกับโมหะเสมอนะงั้นถ้าเราล้างนะเอาให้เด็ดขาดเลยไม่ใช่ล้างราคะโทสะถ้าล้างราคะโทสะเนี่ยล้างได้ชั่วคราวเดี๋ยวมาอีกยกตัวอย่างจิตมีราคะขึ้นมาเราพิจรารณาปฏิกูลพิณาสุภ ราคาดับไปดับชั่วคราวโมหะยังมียังหลงอยู่มันยังมีตัวเราอยู่นะมีเราอยู่เดี๋ยวมันก็รักตัวเรารักคนอื่นขึ้นมาอีกนะก็ราคาก็เกิดได้อีกมีโทสะขึ้นมานะก็ไปล้างมันด้วยการเจริญเมตตาเจริญเมตตามากๆโทสะหายไปหายชั่วคราวโมหายังอยู่เดี๋ยวก็โกรธอีกมันยังมีเราอยู่เนะพอเรากระทบอารมณ์ที่ดีมันก็เกิดราคาเรากระทบอารมณ์ที่เลวก็เกิดโทสะ งั้นตราบใดไม่ล้างโมหะนะราคาโทรศก็กลับมาได้อีกคมได้ชั่วคราวนะงั้นจะเรียนกรรมฐ า, านตั้งทีนะ้วสู้เอาโมหะให้ได้นะชนะโมหะให้ได้หัวหน้าโมหะชื่ออวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ ต, ตอนนี้ยังไม่ต้องโชกกวิชชาชคกวิชชาตอนนี้ตายเปล่าเลยคนละมวยคนละรุ่นกัน เหมือนสมัยก่อนหลวงพ่ อ, อยังไม่บวชมีนักมวยคนหนึ่งเนะชื่อเฟยจำชื่อได้ไหมแคชเชีสเฟยเก่งๆนะอย่างเงี้ยเราเอาผลกิ่งเพชรไปโชคมันตายได้แน่เลยใช่ไหถึงแชมป์โลกก็ตายแต่มันคนละรุ่นของเราตอนนี้อย่าไปสู้อย่าไปคิดจะหารสู้กับอวิชายังไม่ใช่คู่ต่อสู้กันนะตัวแรกๆเลยนะเราลองสู้ดูพวกความเห็นผิดทั้งหลายความเห็นผิดความเห็นผิดว่ามีตัวมี ต, ม ต, มตนอะไรพวกนี้นะ สู้กับพวกนี้ไปในทางตำราเขาถือว่าตัวทิฐิเป็นโลภะนะมันความเห็นผิดตัวนี้มารากเกล้ามันก็มาจากโมหะงั้นเบื้องต้นยังไม่สู้กับโมหะจริงๆอะ่ะสู้กับความเห็นผิดก่อนความเห็นผิดแล้วสู้ด้วยความเห็นถูกถ้าเห็นถูกแล้วก็ล้างความเห็นผิดไปนะเห็นถูกทำไงจะเห็นถูก ต้องเห็นตรงความจริงถ้าล้างความเห็นผิดได้ตัวนี้เป็นโลภะนะเป็นตระกูลโลภะตัวหนึ่งตัวทิฏฐิแต่รากเง่าของมันมาจากโมหะมาจากโง่นี่แหละก็เลยมีความเห็นผิดขึ้นมานยังไม่สู้กับวิชาสู้กับความเห็นผิดธรรมดาธรรมดานี่กความเห็นผิดว่ามีตัวเราวิธีสู้ความเห็นผิดก็เห็นถูกเห็นถูกว่าไม่มีตัวเรา ก็ต่ความรู้สึกของเรารู้สึกว่าตัวเรามีจริงๆแล้วทำไมบอกว่าไม่มีตัวเราเรามาดูลงไปในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็มีกายกับใจรูปกับนามนี่แหละดูลงมาว่ารูปประธรรมนี้เป็นตัวเราไหมนามาธรรมนี้เป็นตัวเราไหมดูของจริงลงไปนะถ้าเมื่อไหร่ใจลอยจะดูรูปดูนามไม่ได้ถ้าเมื่อไห ร, ร่ป ไ, ไ, ไ, รไปเพ่งรูปเพ่งนามไว้จะไม่เห็นความจริงของรูปนาม งั้นเราจะเดินปัญญาได้ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้เราต้องไม่พลาดสองอย่างอย่างที่หนึ่งลืมกายลืมใจหลงไปเลยหนะลงไปหลงตามกิเลสไปอันนี้เรียกย่อหย่อนมากไปนะอีกอันหนึ่งก็บังคับกายบังคับใจเพ่งกายให้นิ่งเพ่งใจให้นิ่งจนมันไม่สามารถแสดงใจรักได้อันนี้เรียกว่าตึงเกินไปนะงั้นเรานานะไม่หย่อนไปไม่ตึงไป ตรงไหนที่ไม่หย่อนไม่ตึงนะตรงที่รู้ด้วยความเป็นกลางนะั่นแหละไม่หย่อนไม่ตึงนะนี่ใจเราเคยหย่อนเคยตึงตลอดเวลาจะให้มันพอดีมันไม่พอดีหรอกงั้นเบื้องต้นไม่ต้องไปหาความพอดีความพอดีไม่มีหรอกนะถ้าเมื่อไหร่มันพ้นจากความสุดโตกสองข้างมันพอดีของมันเองมันะพอดีของมันเองเมื่อไหร่ไม่เมื่อนก็สว่างนะเมื่อไหร่ไม่ร้อนก็เย็น เมื่อไรไม่สุดตง่งมันก็เข้าทางสายกลางนะให้ใหให้คอยรู้ทันใจมันสุดตง่งไปข้างไหนคอยรู้ทันมันสุดตง่งข้างย่อหย่อนลืมกายลืมใจหลงไปคิดหลงไปคิดเกิดทั้งวันเลยรู้สึกไหมมีใครไม่คิดบ้างมีไม่เอ่ยไม่คิดก็แปลกแล้วนะขนาดนอนหลับยังคิดเลย รู้สึกไหมตอนหลวงพ่อลินน้ำเนี่ยมีใครไม่คิดบ้างมีคิดหลายเรื่องเลยมาคนก็คิดออกนอกวัดไปบางคนก็คิดทาไมหลวงพ่อฉันน้ำไหวเป็นอะไรเปล่า <c ười> คิดมาก <c ười> เราแก่แล้วคอแห้งก็นั้นเองมใจหนีไปคิดใจหนีไปคิดให้รู้ทันนะแค่รู้ทันฝึกรู้ทันไป ใจหนีไปคิดแล้วเรารู้ทันนะมันก็หลุดออกจากโลกของความคิดนะไม่หลงไปคิดแล้วคนที่ไม่เคยปฏิบัตินะพอรู้ทันว่าหลงไปคิดนะจิตจะตื่นเพราะเพ่งไม่เป็นเพ่งไม่เป็นส่วนนักปฏิบัติมืออาชีพทั้งหลายนะพอรู้ว่าจิตไปคิดคิดนี่อันหนึ่งนะรู้ว่าคิดนี่อันหนึ่งตรงรู้ว่าคิดนี่ถูกละถัดจากนั้นจะต่อด้วยการเพ่งกลัวจะหลง งั้นคนที่เคยฝึกเคยฝึกมานะบางทีสู้คนไม่เคยฝึกไม่ได้พวกที่ติดสมถะ ม, มันจะติดเพ่งงั้นหลายคนฝึกมาติดสมถะมานะต้องมานั่งแก้อย่างบางคนติดแรงๆแนะล้วหลวงพ่อบอกให้หยุดทําสมถะไปก่อนหยุดไปชั่วคราวนะไม่ใช่หยุดถาวรหรอกหยุดหยุดเพ่งไปชั่วคราวกันมาฝึกให้มีสติรู้สึกตัวธรรมดาธรรมดานี่ให้จิตมันเคลื่อนไหวได้ กายเคลื่อนไหวจิตเคลื่อนไหวแล้วคอยมีสติตามดนะูนี่บางคนมันได้ยินเรบสอนงี้มันนึกว่าเราสอนไม่ให้ทําสมถะบ้าสศ่หลวงพ่อทําสมถะตั้งแต่เจ็ดขวบแล้วมันเรื่องอะไรหลวงพ่อจะสอนไม่ให้ทาสมถนะนี่สอนกับบางคนหรอกที่ติดสมถะติดเพ่งยกตัวอย่างเดี๋ยวทำให้ดูนี่เพ่งแบบหมาบ้าดุนะอีกพวกหนึ่งเป็นแบบนี้ แลบเพ่งแบบพวกติดยานี่นะเพราะนี้จิตไม่ธรรมชาติไม่ธรรมดานะนี่พวกนักปฏิบัติสังเกตให้ดีเกือบร้อยละร้อยเลยอย่างส่วนใหญ่ที่มานั่งบอกขอนั่งให้หลวงพ่อดูสังเกตไหมมันนั่งให้หลวงพ่อดูสิ่งแรกที่ทํานะเวลาจะนั่งต้องวางฟอร์มนั่นเองขยับร่างกายก่อนตอนนี้ยังไม่ดูนะตอนที่ขยับนี่ยังไม่ต้องดูเลอไปก่อนนะขยับได้ที่แล้วก็เริ่ม เริ่มเราก็ยังไม่ดูนะต้องขยับจิตก่อนคลุ๊กคลิ ก, ล ก, ลกแล้วค่อยดูไปอะไปเงี้ยเกือบทั้งนั้นเลยไม่ได้กินหรอกโมหะไปกินหมดเลยนะงั้นเราไม่น้อมลงไปนะไม่เคลิมลงไปไอ้ น, นียสุดโตงไปข้างซึมข้างบังคับตัวเองไม่ดีเลยไม่บังคับนะไม่หลงเราก็ไม่บังคับจิตหลงไปคิดรู้ทัน จิตไปบังคับอยู่รู้ทันจิตลงไปคิดพอรู้ทันนะจะเลิกเลยเลิกทันทีเพราะเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นไม่คิดอ่ะแต่จิตเพ่งเนี่ยเรารู้ว่าเพ่งหายไหมไม่หายเพราะอะไรจิตเพ่งมันไม่ใช่อากุศล น, นะอืพวกพระพรหมเขาก็เพ่งเก่งอะนมันไม่ใช่อากุศลมันไม่หายหรอก ง, งั้นต้องไม่ไปฝึกมันถ้าจิตเคยเพง่งมันก็เพ่งอ่ะถ้ามันไม่เพ่งนะมันก็ไม่เพ่งหรอก งั้นถ้าคนไหนเคยเพ่งจนชินนะหลวงพ่อบอกอย่า้ไปเลิกก่อนหยุดกันหยุดชั่วคราวใช่ไหมด็อกตเอก่อนนี้จอมเพ่งเลยเพ่งเพงเพงเดี๋ยวนี้มาเจริญปัญญาเจริญรวดเลยไม่ยอมเพ่งอีกแล้วก็สุดโตไปอีกฝั่งเนาะงั้วเราอย่าสุดโตสองฝั่งนะรู้สึกถ้าเมื่อไหร่หลงใจลอยไปลืมกายลืมใจอันนี้ทำวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนาต้องรู้รูปนาม แล้วก็พอรู้รูปนามก็รู้สบายๆรู้แบบคนวงนอกดูห่างๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูแบบเป็นผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียมันเป็นยังไงก็ได้ร่างกายเป็นยังไงก็ได้จิตใจเป็นยังไงก็ได้ไม่ว่ามันนะดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูมันทํางานไปเรื่อยเราจะเห็นว่ามันทํางานได้ตลอดเวลาเลยมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนี่แสดงอนิจจัง มันทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งนานๆไม่ได้นี่เรียกว่าทุกขังนะมันบังคับไม่ได้มันสั่งไม่ได้มันจะสงบหรือมันจะฟุ้งซ่านมันจะปรุงดีหรือมันจะปรุงชั่วสั่งมันไม่ได้นะเรื่องอนัตตานะนี่เราเรียนรู้นะถ้าเมื่อไร่เราไม่หลงลืมกายลืมใจแล้วก็ไม่มาเพ่งกายเพ่งใจให้นิ่งให้ถืออยู่เราจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้มาดูไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือความจริงเห็นไหมเราอยากมาดูของจริง ของจริงก็ไม่เผลอไปไม่เพ่งไว้ของจริงจะแสดงตัวของที่ไม่เที่ยงเกิดนแะ <c oughs> ล้วดับมันไม่เที่ยงเห็นไหมของที่เกิดแล้วดับของที่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขคําว่าทุกข์นี่หมายถึงว่ามันทนอยู่ได้นานไหมมันทนอยู่ไม่ได้นานมันเป็นทุกข์นะของที่เป็นทุกข์นี่ควรเห็นไหมว่าเป็นตัวเรามีใครอยากได้ตัวทุกข์ไม่มีใครเอา เนี่ยถ้าปัญญามันเกิดนะมันเห็นมันก็วางนะไม่เอาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เอาไปทําไมไม่ยึดไม่ถือนะไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราของที่เกิดแล้วดับตลอดเวลาเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัว ต, วตวนถาวรของที่ทนอยู่ไม่ได้เนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตวนถาวรมีแต่เกิดแล้วดับตรงที่ไม่มีตัวตวนถาวร น, นั่นแหละเรียกว่าอนัตตาเนี่งั้นเราภาวนานะเรามาดูของจริง เรียนรู้ความจริงเรียนรู้ของจริงลงมาในสุดล้างความเห็นผิดว่ามีเราได้ดูลงในกายร่างกายมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงทนถาวร อ, อยู่ในร่างกายดูลงไปในจิตใจจิตใจมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงทนถาวรอยู่ในจิตใจเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลชั่วคราวโรคโกรธหลงชั่วคราวอะไรใชั่วคราวหมดเลยนี่อคอยดูลงไป ในสุดปัญญามันเกิดนะมัเห็นเลยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรมีแต่ของชค่วคราวไม่มีอะไรที่เป็นอมตะพองเรามีอะไรเป็นอมตะบ้างมีนอกจากนิคมอมตะแล้วมีอะไรดูซิมันจะอมตะสักกี่ปีนะไม่มีอะไรอมตะมีแต่ของชค่วคราวนะดูไปของถาวรก็ไม่มีนะมีร้านบุญถาวรมีแต่ชื่อมีแต่โดยสมมติ แต่โดยความจริงไม่มีอมตะก็มีโดยสมมุติความจริงไม่มีมีแต่ของเกิดแล้วดับเนี่ยเรียนรู้นะพารู้ตามความเป็นจริงเนี่ยใจจะคลายออกไม่ยึดถือแล้วไม่ยึดถือมันจะล้างความเห็นผิดไปก่อนนะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนพบว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงรูปธรรมเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปนามธรรมเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวร อันนี้ได้ธรรมะเบื้องต้นแล้ล้างความเห็นผิดได้นะเรารู้เลยว่าสิ่งทั้งหลายนะมีเหตุก็เกิดนะไม่ใช่เกิดลอยๆงั้นเราจะล้างมิจฉาทิฏฐิตัวอื่นๆได้อีกเยอะแยะเลยล้างมิจฉาทิฏฐิได้หมดเลยนะที่คิดว่าเกิดโดยไม่มีเหตุเกิดเรียกพวกอเหตุตุกขทิฏฐิไม่มีเหตุให้เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกพวกหนึ่ง เยอะแยะเลยมิจฉาทิฏฐินะมีเยอะแยะหลายจําพวกพวกนัตติกาทิฏฐิพวกไม่มีอะไรเลยว่างเปล่านี่นัตติกาทิฏฐิไม่มีอะไรเยอะแยะเลยพวกมิจฉาทิฏฐิขอเพียงล้างความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราได้นะมิจฉาทิฏฐิอื่นๆจะหายไปด้วยเพราะมิจฉาทิฏฐิอื่นๆนะมันเนื่องอยู่ด้วยความมีกายมีใจมีตัวตนจริงๆบางพวกคิดว่าตายแล้วไปเกิดอีกคิดว่ามีตัวตนถาวร เดี๋ยวนี้ก็มีอนาคตก็มีบางพวกคิดว่าตายแล้วศูนย์พวกนี้เห็นว่ามีตัวตนไหมตายแล้วศูนย์มีขณะนี้มีแต่อนาคตศูนย์ขณะนี้มีกูอยู่นะแต่อนาคตศูนยนะ์งั้นมิจฉาทิฏฐิน า, นานาชนิดไหนมันเนื่องอยู่ในรูปนามนี่ในกายในใจนี่นะถ้าเข้าใจความเป็นจริงของรูปธรรมนามธรรมนะเขาจะล้างทิฏฐิได้ล้างมิจฉาทิฏฐิได้พระโสดาบันล้างมิจฉาทิฏฐิได้ล้นะางได้ ถ้าเราค่อยฝึกนะแล้วถัดจากนั้นมันก็จะค่อยพัฒนาขึ้นไปชุดล้างโมหะตัวทิฏฐินี่เป็นแค่โลภะเป็นลูกลูกของโมหะตัวโทสาเป็นหลานนะตัวโลภะเป็นตัวลูกโทสาเป็นเกิดได้เพราะโลภะมันไม่สมอยากโทสามันก็เกิดงั้นมีกิเลสนะมีตระกูลของมันบนรรพบุรุษของมันนะ คือตัวโมหะนี่วิธีจะล้างโมหะนะพอเรารู้แล้วตัวจริงจริงๆไม่มีตัวตนนกะ็มาคอยรู้ลงในกายในใจต่อไปอีกแล้วรู้จนเห็นแจ้งอริยสัจถ้าเห็นแจ้งอริยสัจได้ก็ล้างโมหะได้รู้จักอริยสัจไหมไม่กล้าตอบเลยเร <laughs> <laughs> าต้อรู้ความจริงสี่อย่างนะรู้ทุก รู้สมุทยัยรู้นิโรธรู้มรรคอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสมุทยัยอะไรเป็นนิโรธอะไรเป็นมรรครู้หน้าที่ต่อทุกข์รู้หน้าที่ต่อสมุทยัยรู้หน้าที่ต่อนิโรธรู้หน้าที่ต่อมรรคแล้วก็ทําหน้าที่ต่อทุกข์ให้เสร็จทําหน้าที่ต่อสมุทัยต่อนิโรธต่อมรรคให้เสร็จนี่เรารู้แจ้งอริยสัจเรียกอะไรนะวนรอบสามปริอะไรปริวัตรสิบสองอะไรหรือไงหรือฮะ เอนี่บอกภาษาบาลีเลยเราทําภาษาไทยไตรปริวัตรวนรอบสามแค่เราดูลงมานะเรียนรู้ลงมาทุกคืออะไรทุกคือรูปประธรรมนามธรรมคือขันหานี่แหละตัวทุกนะรู้ทุกแขมแจ้งก็คือรู้ความจริงของขัน 5. หานาที่ต่อทุกคือการรู้นะแล้วก็ฝึกรู้ทุกถ้ารู้ทุกแขมแจ้งจะละสมู ท, ทยัย สมุทัยคือตัวตันหาความอยากเป็นตัวโลภะที่รุนแรงเป็นตันหาเพราะนั้นทะละรู้ทุกข์แกมแจ้งนะรู้ทุกข์แกมแจ้งเห็่อนั้นล้างอวิชชาล้างโมหะได้รู้ทุกข์แจ้งมันจะละโลภะไปละตันหาไปตัวลูกมันถูกฆ่าตายเนะมื่อไหรรู้ทุกข์แกมแจ้งเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไรละสมุทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรดนิโรดคือนิพพาน นิโรดต้องทําให้แจ้งสมุทัยต้องละทุกต้องรู้นี่นเรารู้ทุกนะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยไปความจริงของมันคือไตรลักษณ์ดูกายดูใจลงเป็นไตรลักษณ์เรื่อยไปถ้าดูแล้วมันไม่เห็นไตรลักษณ์คิดพิจารณาว่าเป็นไตรลักษณ์ช่วยมันเบื้องต้นช่วยมันคิดพิจารณาลงเป็นไตรลักษณ์ก่อนนะแต่ถ้ามันดูได้เองเห็นไตรลักษณ์เองก็ไม่ต้องไปคิดมันดูของจริงไปเลยเพรู้ทุกนะแล้วมันจะละสมุทยัยมันจะหมดความอยาก ความอยากมันเกิดจากอะไรจากไม่รู้ทุกเราคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างตอนเนี้ยรู้สึกอย่างนะี้นี่เรียกว่าเราไม่รู้ทุกข์จริงถ้าเรารู้ทุกข์จริงเราจะรู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้นๆ้นไม่มีทางที่ทําให้มันสุขเลยมันเป็นตัวทุกข์ไม่มีทางหนีทุกข์ด้วยไม่มีทางทําให้มันแปลสภาพกลายเป็นตัวสุขด้วยเพราะฉะนั้นความอยากที่ไร้เดียงสาเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นความอยากของเราไร้เดียงสาทั้งนั้นเลย อยากอะไรถ้าดูให้ดีนะอยากให้กายเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกข์ใช่ไหมอยากให้ใจเป็นสุขอยากให้ใจพ้นทุกข์อยากอยู่อย่างเงี้ยเขรู้ความจริงแล้วกายนี้ใจนี้ทุกข์แน่นอนนะความอยากไร้เดียงสารนี้ไม่มีแล้วงั้นเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจมแจ้งนะสมุทัยจะไม่เกิดอีกละคําว่าละสมุทัยเนี่ยละแบบสมุทเฉดหมายถึงละแล้วไม่มีต้องละอีกนะละครั้งเดียวเลยเมื่อไหร่ตัณหาไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยเมื่อนั้นแหละนิโรธปรากฏ ที่ว่านิโรธทําให้แจ้งนิพพานนิโรธคือนิพพานนิพพานคืออะไรนิพพานคือความสิ้นตัณหาเมื่อไร่สิ้นตัณหาเมื่อนั้นจะเห็นนิพพานเพระนิพพานคือความสิ้นตัณหานะงั้นเราคอยรู้ทันนะถามว่านิพพานเกิดขึ้นเมื่อสิ้นตัณหาหรือเปล่าไม่ใช่นิพพานมีอยู่ก่อนแล้วแต่เพราะมีตัณหาจึงไม่เห็นนิพพานเมื่อไรสิ้นตัณหาก็มองเห็นนิพพานซึ่งมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นงั้นนิพพานไม่ใช่ของที่เกิดแล้วดับ เป็นธาตุซึ่งมีอยู่แล้วคงที่อยู่อย่างนั้นเองในขณะที่เรารู้ทุกข์จนล้าสมุทัยแจ้งนิโรธขนาดนั้นแหละเรียกว่ามร์ขนาดเดียวขนาดเดียวนะที่เรียกว่ามร์เวลาที่มร์เกิดนะงานของอริยาศัสตร์สีนะ่ทาเสร็จในขณะเดียวกันเลยนั่นรู้ทุกข์นะพวกเรารู้ความจริงให้ได้ถ้าเรารู้ความจริงเนะี่ยเราจะเข้าไปจนถึงเนี่ยละตัณหานะ แจ้งพระนิพพานจิตใจที่พัฒนาจนมาแจ้งพระนิพพานนี่เรียกว่าเรายกระดับจิตวิญญาณถึงขีดสุดละไม่มีความทุกข์เหลืออยู่แล้วนะงั้นงานหลักของเราในชีวิตเรานะคืองานพัฒนาจิตวิญญาณของเราไปสู่ความพ้นทุกข์นะส่วนงานทำ ม, มาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวนะเสียภาษีอะไรเนี้ยนะอันนี้งานอยู่กับโลกนะงานอยู่กับโลกงนะั้นเราฝึกนะ ฝึกไปรู้งานหลักของเรางานหลักของเรายกระดับจิตวิญญาณของเราขึ้นไปให้ได้ไปสู่อะไรไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้ทำไมต้องมีชีวิตที่จมอยู่กับความทุกข์นิรันดรเรื่องอะไรวันนี้ทุกขวันข้างหน้าต้องไม่ทุกข์นะวิธีที่จะยกระดับจิตวิญญาณตัวเองนะมีสตินะสารวจใจตัวเองไปเลยกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไปเลยนะกิเลสหยามหยาบเกิดขึ้นสู้ด้วยศีลรักษาศีลไว กิเลสอย่างกลางคือความฟุง้งซ่านของจิตเกิดขึ้นนะทําจิตให้สงบให้ตั้งมั่นสู้ด้วยสมาธินะถัดจากนั้นก็มาเดินปัญญาพอจิตสงบจิตตั้งมั่นแล้วมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามนะเรียกว่าปัญญาสู้ด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แหละในสุดกิเลสหมดนะกิเลสหมดไปแล้วจิตวิ ญ, ญญาณเราก็เข้าสู่ความบริสุทธิ์นะมีแต่ความสุขนะถัดจากนี้มีความสุขความทุกขอยู่ที่ร่างกาย ควทุกเข้ามาไม่ถึงจิตอีกลนะอย่างไปกราบจันมหาบัวนะท่านตัดนิ้วไปท่านตัดนิ้วร่างกายท่านก็ ก, กระปรกกับเปื่นะ้ยบางวันก็เหนื่อยหอบต้องให้ออกซิเจนท่านมีความสุขอะดูแล้วโอ้จันมีความสุขท่านจาย์มีความสุขจังหมดจดงดงามนะแก่ขนาดนั้นนะอายุเกือบร้อยปีไม่สบายกระปรกกับเปื่้ยมีความสุขได้ไงเป็นพวกเราที่นิ้วหายไปนิ้วหนึ่งกลุ้มใจตายเลย ท่านก็ยังมีความสุขอยู่อย่างนั้นเลยเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็มีความสุขเนี่ยจิตวิญญาณที่ยกระดับสุดขีแล้วนะมีความสุขนะงั้นทุกคนมีโอกาสที่จะลิ้มรสความสุขอันนี้นะขอเพียงพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองขึ้นไปนะด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานี่แหละนะนะไปทานข้าวนะ